47. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเรียนหลักให้แม่นวงเล็บเปิด 13. กุมภาพันสองพในวงเล็บสองวงเล็บปิดฝึกเอานะไม่ได้ยากหลวงพ่อพยายามสอนหลักให้พวกเราทุกคนบอกหลักให้ทุกวันทุกวันหลักสำคัญที่สุดอุบายวิธีต่างๆเป็นแทคนิคในวงเล็บกลยุทธ์เฉพาะตัวใช้ได้ช่วครั้งช่วคราวเช่นวันนี้ใจเราฟุ้งซ่านเราหัดไปพุดโธพุโทโธก็สงบ อีกวันหนึ่งฟุ้งซ่านพุโทโธไม่ลงแล้วหายใจหายใจแล้วสงบอีกวันหนึ่งพุโทโธ ก, ก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้ไปคิดแยกธาตุแยกขันแล้วสงบอะไรอย่างนี้แต่ละวันแต่ละวันกิเลสมันพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอุบายธรรมะทั้งหลายใช้ซ้ำซากไม่ได้กินหรอกมันดื้อยาเราต้องเรียนหลักให้แม่นสติปัญญามันจะพัฒนาอุบายขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสเองพัฒนามากไปก็กลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรมะก็ผิดอีก ฉะนั้นเราต้องเรียนหลักให้แม่นหลวงพ่อภาคเพียรเลอะเกินที่จะบอกให้พวกเรารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันให้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปทุกวันทุกวันรู้แล้วอย่าไปแทรกแซงมันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่พูดทุกวันพูดด้วยภาษาต่างๆกันมากมายเนื้อหาอันเดียวกันคือให้รู้ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าด้วยจิตที่เป็นกลางเท่านั้นแหละต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะ จับหลักอันนี้เอาไว้ให้แม่นเราก็ช่วยตัวเองได้ไม่มีโอกาสถามหลวงพ่อก็ไม่ต้องไปเที่ยวถามใครให้มันวุ่นวายใช้หลักนี้ให้แม่นๆ่นช่วยตัวเองได้แน่นอนเช่นเราภาวนาแล้วใจเราว่างตั้งสามวันสามคืนแล้วใจมันว่างมันถูกหรือไม่ถูกนะถ้าจับหลักให้แม่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูว่างนี่ท่านให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความว่างมันไม่ใช่กายไม่ใช่ใจของเรานี่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเท่านั้นเอง ไปดูอะไรมันน่ะไปติดอยู่ในความว่างก็หลงอยู่ในโลกของความสุขนี่เราช่วยตัวเองได้แล้วค่อยๆสังเกตเอาจิตใจของเรามันเดินอยู่ในหลักที่ครูบาอาจารย์สอนไหมพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามีล่ะก็เราช่วยตัวเองไปได้เรื่อยๆประคองตัวเองไปอะไรๆก็สู้โยนิสมณสิการไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่วิ่งไปถามคนอื่นเพราะฉะนั้นเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วภาวนาเอา คอยสังเกตใจิตใจของเรามันเป็นสภาวะอย่างนี้อย่างนี้ในหลักการมันเป็นอย่างไรอย่างเวลาหลวงพ่อตรวจกันบ้านสังเกตให้ดีเถอะไม่ว่ามาถามเรื่องอะไรหลวงพ่อก็จะตอบเพื่อลากเข้าหาหลักการนั่นเองกลับไปจูงเข้ามาสู่หลักเธอเดินพลาดไปจากหลักแล้วเช่นเธอไม่ได้มีสติเธอนั่งกําหนดเอาเองอย่างนี้ผิดหลักใช่ไหมให้มีสติตั้งหากมีสติแล้วไปเพ่งความว่างอา้าวไม่ถูกหลักอีกแล้ว มีสติแล้วต้องรู้กายรู้ใจสิรู้กายรู้ใจแล้วเห็นใจแล้วก็ไปเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้นิ่งๆอา้าวให้รู้นะไม่ใช่ให้เพ่งนี่กลับมาสู่หลักคือให้รู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจมันทำงานแสดงตรลักษ์ถึงจะเห็นความจริงไปเพ่งนิ่งๆอยู่ไม่เห็นความจริงเห็นไหมคำตอบของหลวงพ่อคือการลากพวกเรากลับมาสู่หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสถามหลวงพ่อหรือไม่เจอหลวงพ่อสงสัยอะไรขึ้นมานะสังเกตเอาใช้โยนิโสมนสิการช่วยตัวเองการปฏิบัติที่ทำอยู่นั้นถูกหลักถูกเกณฑ์หรือไม่หรือว่านอกลู่นอกรอยไปแล้วสังเกตเอานะสงสัยจริงๆก็ไปเปิดซีดีฟังมีทุกคาตอบอยู่แล้วในซีดีของหลวงพ่อเปิดสุ่มเอาตรงไหนก็ได้กล้าท้าเลยเปิดสุ่มเอาเลยก็ได้อา้าวฟังตรงนี้แล้วจะมีคาตอบ เพราะทุกคำตอบมีคำตอบอย่างเดียวกันทั้งสิ้นคือรู้ตามความเป็นจริงตอบได้ทุกเรื่องเลย